5. อนุสติฐานสูตรว่าด้วยอนุสติฐาน 25. ภิกหุิทั้งหลายอนุสติฐานหกประการนี้อนุสติฐานหกประการอะไรบ้างคือหนึ่งอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ระลึกถึงตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคสมัยใดอริยสาวกระลึกถึงตถาคตแล้วสมัยนั้นจิตของเธอย่อมไม่ถูกราคะกลุ้มรุมไม่ถูกโทสะกลุ้มรุมไม่ถูกโมหะกลุ้มรุมเป็นจิตดำเนินไปตรงทีเดียว เป็นจิตออกไปพ้นไปหลุดไปจากความกำหนัดคำว่ากำหนัดนี้เป็นชื่อของกา ร, รมคุณห้าภิกษุทั้งหลายสัตว์บางพวกในโลกนี้ทรรมพุทธานุสตินี้ให้เป็นอารมณ์ย่อมบริสุทธิ์ได้อย่างนี้แล 2. ออริยสาวกระลึกถึงธรรมว่าพระธรรม เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนสมัยใดอริยาสาวกละลึกถึงธรรมสมัยนั้นจิตของเธอย่อมไม่ถูกราคะกลุ้มลมไม่ถูกโทสะกลุ้มลมไม่ถูกโมหะกลุ้มลมเป็นจิตที่ดำเนินไปตรงทีเดียวเป็นจิต ออกไปพ้นไปหลุดไปจากความกำหนัดคําว่ากำหนัดนี้เป็นชื่อของกรรมคุณห้าภิกษุทั้งหลายสัตว์บางพวกในโลกนี้ทาธรรมานุสตินี้ให้เป็นอารมย่อมบริสุทธิ์ได้อย่างนี้แลสามอริยะสาวกระลึกถึงสงว่า พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกสมัยใดอริยสาวกระลึกถึงสงฆ์สมัยนั้นจิตของเธอย่อมไม่ถูกราคะกลุ้มรุมไม่ถูกโทสะกลุ้มรุมไม่ถูกโมหะกลุ้มรุมเป็นจิตดำเนินไปตรงทีเดียวเป็นจิตออกไป พ้นไปหลุดไปจากความกำหนัดคำว่ากำหนัดนี้เป็นชื่อของกรรมคุณห้าภิกษุ์ทั้งหลายสัตว์บางพวกในโลกนี้ทำสังคานุสตินี้ให้เป็นอารมณ์ย่อมบริสุทธิ์ได้อย่างนี้แล 4. อริยาสาวกระลึกถึงศีลของตนที่ไม่ขาดเป็นไปเพื่อสมาธิ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 สัตว์บางพวกในโลกนี้ทำศีลานุสตินี้ให้เป็นอารมณ์ย่อมบริสุทธิ์ได้อย่างนี้แล 5. ห้าอริยสาวกระลึกถึงจาคะาของตนว่าเป็นลาบของเราหนาเราได้ดีแล้วหนาควรแก่การขอยินดีในการแจกทานอยู่ครองเรือนสมัยใดอริยสาวกระลึกถึงจาคะา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 ย่อมบริสุทธิ์ได้อย่างนี้แลหอริยาสาวกระลึกถึงเทวดาทั้งหลายว่ามีเทวดาชั้นจัตุมหาราชเทวดาชั้นดาวดึงเทวดาชั้นยามาเทวดาชั้นดุสิตเทวดาชั้นนิมมานนรดีเทวดาชั้นปรานิมิตวสวัสดีเทวดาชั้นพรหมกายเทวดาชั้นสูงไปกว่านั้น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 ระลึกถึงศรัทธาเศนสุตตะจากกะและปัญญาของตนและของเทวดาเหล่านั้นสมัยนั้นจิตของเธอย่อมไม่ถูกราคาลุ่มรุมไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมหะลุ่มรุมเป็นจิตดำเนินไปตรงทีเดียวเป็นจิตออกไปพ้นหลุดไปจากความกำหนัดคําว่ากำหนัดนี้เป็นชื่อของกรรมคุณห้า ภิกษุทั้งหลายสัตว์บางพวกในโลกนี้ทำอนุสติหกนี้ให้เป็นอารมณ์ย่อมบริสุทธิ์ได้อย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายอนุสติฐานหกประการนี้แลอนุสติฐานสูตรที่ห้าจบ